ลูกและหลานที่รักทุกคนสำหรับวันนี้ตรงกับวันที่สิบมีนาคม <c oughs> สองพันห้าร้อยี่สิบสอง่งคณะพวกเราได้เดินทางไปที่วัดดอนคนทาอาเภอบัวใหญ่จังหวัดนครนาชสีมาเพื่อไปที่นั่นมาวันที่สิบ เนื่องโดยพาะอย่างยิ่งเวลานี้เรากำลังนั่งกันอยู่ที่โคนไทรงามความจริงไทรต้นนี้งามจะเรียกว่าไทรงามก็ได้จะเรียกว่าไทรย้อยก็ได้เรียยวเยี่ยเลี้ยวไทรคำละคำไทรก็ได้เพราะปรากฏว่ามีจิิงยาวยืดยาวเลื้อยเป็นบริเวณกว้าง ส่วนที่ทรงตัวยืนได้เขาใช้ใช้เสาค้ำเขา้า้ยนนี่เส้นแดงวแม้ว่าต้นไม้ก็ต้องหาที่พึ่งเหมือนกันไม่ใช่วพายุโดดเดียวอันเดียวกันได้เหมือนกับคนเราที่เกิดมาในโลกนี้ก็มีความเป็นที่จะต้องอาศัยซึ่งกันและกันการเดินทางในคณะของเราคราวนี้ ก็เดินทางมาในนามของศูนย์สงเคราะห์บุคคลผู้ยากจนในถิ่นทุรกันดาลซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าวสทรงให้ตั้งขึ้นและมีท่านพลเอกเกลียงศักชวนนันนายกรัฐมนตรีร่วมมือด้วยเต็มที่และกอมิชาการอาหารสูงสุดซึ่งมีพลโททนทองสุวรรณทัศสุวรทัศเป็นหัวหนาขอโทษมีท่านพลเอกทวนทองสุวรรณทั์เป็นหัวหน้า แล้วก็มีพันเอกพิเศษชาวานเป็นมือในการกระทำการคราวนี้ร่วมไปด้วยบรรดาประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับบรรดาโลกโลกหรือว่าพี่น้องทุกคนพ่อมีความปลื้มใจมากที่ทุกคนทำงานก็ไม่ได้เห็นเันอะไกันเลยการเดินทางแต่ละคราวก็ต้องใช้เงิน บรรดาลูกๆทุกคนมีไรายได้ไม่มากนักถ้าจะไปเทียบกับคนที่ขร่ำรวยก็เทียบกันไม่ได้เลยมีอาชีพกันตามสมควรแต่พ่อก็ดีใจอยู่นิดหนึ่งที่ลูกทุกคนได้ปริญญาเกือบทั้งหมดบางคนก็เป็นหม อ, อบางคนได้ปริญญาโทรมาจากต่างประเทศแล้วก็มีส่วนใหญ่ได้ปริญญาตรี <c oughs> ที่ไม่มีปัญญาก็มีความดีที่ควรจะการสันเสริญอันนี้พ่อดีใจวันนี้เรานั่งกันที่ต้นไทรงามมองไปข้างหน้าจะเห็นไสเรเลื้อยยาวมีรากย้อยด้านขวา ม, มือของเรามีร้านขายอาหารด้านซ้ายมีศาลเจ้าแม่เขาใช้ชื่อว่าเจ้าแม่ไทรงาม แต่ ว, ว่าศาลนี้พ่อมาเมื่อสองสามปีก่อนนี้เดินเดินมาเดินเที่ยวไปคนเดียวเดินไปทำล่นบ้างเดินไปทงนี้บ้างนั้นตอนนั้นดูว่าจะเป็นหลายปีมาแล้วมากับนาวากาศเอกพิเศษอาธรโลจนาวิโพธิโลจนาิาทแล้วก็พัญญาของเธอ มาร่วมกันหลายคนเดินไปเดินมาสสลาหลังนี้ที่เขาปลูกไว้เวลานี้เขาใส่กุญแจที่หน้าบันไดเมื่อเดิมทีเดียวพ่อมาคือพ่อขึ้นไปฉันประตาหารบนนั้นไปนั่งเล่นบนนั้นได้แบบสบายแต่ว่าที่เขาต้องใส่กุญแจอย่างนี้ก็อย่าไปโทษเจ้าหน้าที่ถ้าคนดีทำดีเขาก็ไม่ใส่กุญแจปิด คือนแสดงว่าคนที่ใช้สิทธ์เอาไปใช้ที่ที่นั้นทำความชั่วขึ้นมาอาจจะสร้างความรกร้างให้เกิดขึ้นทำสกรปรกเลอะเทอะพ่อเก เ, เคยเห็นบ่อยๆแม้แต่บนรถหรือบนที่นั่งราวสะพานใกล้ๆที่บริเวณบางทีเุา ก, กินอะไรแล้วเขาก็เวียงทิ้งไปทำคล้ายๆกับสุนัขที่มันล้างไม่เป็น <c oughs> เป็นอนันว่าคงจะมีคนประเภทนั้นตอนนั้นพ่อขึ้นไปแล้วหลายหลาคนขึ้นไปครับทานอาหารกันบนนั้นเจ้าหน้าที่มาแทนที่เขาจะห้ามกลับให้ความสะดวกแต่ว่าตอนนี้เรามองดูได้แต่มองสลาหลังนั้นเรืองกลางน้ําหลังนั้นเป็นที่มีความสุขสบายแต่เจ้าหน้าที่ใส่กุญแจเสียแล้วเรื่องพูดหลังอื่น ก็ขอเอาชื่อของคนที่มาร่วมกันคราวนี้เมื่อกล่าวไว้ในที่นี้เป็นอนุศน์แต่ความจริงการเดินทางคราวนี้นะ่ะเราเดินทางกันเป็นขบวนเล็กที่สุดไม <c oughs> ่นระเบิดขบวนเล็กจิ๋วที่สุดแต่ว่ามีประจานวนคนที่เดินทางร่วมกันทั้งหมดถึงเจ็ดสิบเจ็ดคนรถที่มาก็มีรถขุนแผน เป็นรถที่บรรทุกคนขนาดเรียกว่ามากกว่าเขาเพื่อนรถพลายจมพลเป็นรถเตรียมน้ํามันแล้วก็ครัวการเดินทางระหว่างนี้ไปไหนต้องมีน้ํามันบรรทุกไปร่วมด้วยเป็นรถเสบียงทะเบียงของรถแล้วก็รถพลายจมพลก็เป็นรถขนสเสบียงมาเลี้ยงพวกเราตามธรรมดามน้ํามันเขามีอยู่มาก <c oughs> แต่ว่าเราอาศัยไม่ได้เลยน้ํามัน ไปที่ไหนไปเชื่อใหม่กลับมาเขาบอกน้ามันหมดปั้มนั้นก็น้้ำมันหมดปั๊มนี้ก็น้้ำมันหมดถ้าเราไม่มีการเตรียมการน้ำมันมาเราอาจจะต้องเข็นรถกลับที่เราเรื่องน้ำมันนี่ฟังพูดแล้วก็รู้สึกสะท้อนใจที่คนไทยผู้มีอำนาจในสมัยเมื่อปีพศ อ, อะไรก็จาไม่ได้จำได้แต่ไม่พูด พ่อเคยให้คนหรือว่ามาพ่อไม่ใคยไปนะสนับสนุนเขานะครับไปเองเขาไปติดต่อน้ำมันที่ตะวันออกกลางมันได้บาเรนละเก้าจุดเก้าจุดห้าเหรียญอเมริกันแต่ว่าพอมาถึงประเทศไทยเขามืองขอเหรียญกูขอเหรียญขึ้นไปเป็นราคาที่สองเหรียญจุดห้าก็ไปนันว่าตกลงก็ไม่ได้ ในคราวนั้นความจริงเราตกลงกับเขาว่าเขาจะไม่ขึ้นราคาไปในห้าปี 9.5 เหรียญนอรเวริกรนันนี่ต่อหนึ่งบาเรลเขาจะไม่ขึ้นภายในห้าปีถ้าน้ำมันโลกลดลงเขาจะลดลดตามเปอร์เซ็นต์และหลังจากห้าปีมันแล้วถ้ามาเ อ, อิน้ำมันโลกราคาขึ้นเขาก็จะขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์เหมือนกัน <c oughs> ถึงยังไงยังไงเราก็ได้ถูกกว่าเขาแต่ว่าลูกรักของพ่อมิสัยของคนเลวถ้ามีอำนาจเชื่ออยากจะรวยพวกกินชาติพวกขายชาติพวกทำลายชาติเวลานี้อิสรภาพในน้ำมันของเราไม่มีโรงกลั่นที่เกิดขึ้นก็ต้องคิดถึงท่านจมพอจอมพลแปลกพ่อพิบู์สงคราม หรือว่าหลวงพิบูลสงครามเป็นคนนาบิขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองหรือว่าหลังจงินโดจินต้องการให้มีน้ามันเป็นของรัฐเรื่องของน้ามันเป็นของรัฐเรื่องของข้าวเป็นของรัฐเรื่องของอะไรต่ออะไรเป็นของรัฐแนะนำให้ประชาชนมีสวนครัวมีเลี้ยงสัตว์แต่ว่าพอจอมพลแปลกหมดอานาจ นํำมันเป็นของคนอื่นโรงงานให้เขาเช่าระยะยาวและเวลานี้มีความรู้สึกเป็นยังไงบ้างเขาอยากจะขึ้นราคาเท่าไหร่ก็ต้องตามใจเขาทั้งๆ ท, ที่เราบอกว่าเราติดต่อมันได้ 9.5 เหรียญอเมดีกันต่หนึ่งบาเรนเขาบอกว่าเมืองแม่ของเขาที่ 2.5 และปัญญาของคนไทยเนะี่ยหมดแล้วเลย ไม่มีปัญญาที่จะกแก้ไขเรืน้ํามันแล้วหรือยังไงควรจะงดเรื่องอื่นลงไปสักบ้างที่มันมีความจําเป็นน้อยถ้าเขาไม่พอใจเรามาเมื่อไหร่เขาบอกเมื่ อ, อไรลําไฟแล้วก็มืดทั่วประเทศเหมือนนั้นเยอที่านพานะก็เคลื่อนไม่ได้การยึดประเทศไทยเป็นของไม่ยากถ้าหยุดน้ํามันที่อย่างเดียวถ้าสอาศกเคลื่อนทัพไปยึดประเทศไทยเมื่อไร่ก็ได้ พอนี้ทิ้งไว้ก่อนออขอคุยกับลูกวันนี้นะเขามีใครมาบ้างนะให้ขอรายชื่อทิอ่อหนึ่งท่านพนักกาศโทรหม่อม โ, มโยงเสริมสุขสวัสดิ์สองสองหม่อมหลวงภาวินีสุขสวัสดิ์สามคนจิรศักดิ์ผนผลเออจิรศักดิ์ทำงานดีมากนะ ปีนี้ทุนเงินรัฐบาลเพิ่มเงินของชาติไปได้สองรอยล้านเศษที่งานเขาทำเสร็จแล้วเขาเขาเขียนแผนทับใหม่นี่งานประเภทนี้มันทำให้ชาติมันไหลจีนศักดิ์ช่วยไปแก้ไขไปตรวจดูว่าของมีอยู่แล้วไม่ต้องทําใหม่นั่นดีไม่ดีก็ต้องไปรือ้อจ้างคนรื้อเสียของ <c oughs> แล้วก็ทําใหม่จ้างคนทําซื้อของใหม่ย้อนนี้ ท, ทําไปเถอะนะ นบริเวณการปิดทองในลําไส้พระก็แล้วกันต้องได้ ว, ว่าระวังคนขี้โกงเขาเยอะเขาจะกโกรธแล้วก็ว่าต่อไปอาจารย์ประวินปุณสีนี่มามาเกือบทันนะแต่ก็พอทันห้าคุณสุภาพปุณสีหกคุณพงอะไรเนี่ยพงทอนเหงาวปุณสีเจ็ดปณิธานเหมียวปุณสีแปดทวินดา พันสีสิบคนเก้า <c oughs> คนยุพคดีและ อ, อจัสุรักอาจารย์เท่าแก่แอสิบเอ็ดนิตยาสีเตรียมวัฒน บ, บุทตาเนะี่ยเรว่าไงสิบจิตตดาจิรคุณาคุณานันจิรคุณนานันสิบสองพรนุส ค, คืนคงดีสิบสามปราโมดนะลนะนะนะนะอง นีม่มีเจ้าเมืองระนนองมันด้วยเนี่ยเราก็ใหญ่โตมากนี่มีพวบคกระนนองมันด้วยเนี่ยยะได้ไปยึดแถวโน่นอีกสิบสี่คุณสุทีสวรรณทัตสิบห้ารัชนีเจียณาาสิบหกพัชรีแป้วออสว่างจิตแม่นี่นักพนาบำเดิ น, นความตามท้ายผด็จญาติเก่งคนนี้นะ สิบเจ็ดคุณศีรักขึ้นแดงรอดเดชสิบแปด 18, สุดสวาสดิ์นรนนท์สิ 19, บเก้ามุสพรจำรีคืนคงดียี่สิบอัมพาวางคงเดิมก็คืนคงดียี่สิบเอ็ดคุณธิรชาติวางดงยี่สิบสองคุณอำไพโพรงทองอ๋อนี่นักเรียนนอกนะมหาบัณฑิต อจิตตดาก็หมาผลิตเหมือนกันนี่สิบสามคนโยมปิน่นแม่ปิ่นโพงทอง2ี่สิบสี่คนหมอต้อจวนหงสวเวก2ี่สิบห้าคพิสมัยโลดชนะ ก, กุศลอโถนี่เก็คิดว่าวิลัยศักดิ์สิทธไม่ใช่เลยคนละคนเนี่ยนี่ดีหกคนจะเหลียวอนาวันอะไรเนี่ยอันนั้นก็ออกนะเออใครกินมานี่ดีเจ็ดคนเงเชิญมณีจัก ยี่แปคุณสุริษาอคณิทัตยี่ิเก้าคุณสมศักดิ์ชาติรักษาสามสิบคุณปีชาเพื่องแสงสาิเอ็คุณพุทธาทิติยานสามสิบสองคุณวณิชเข็มแดงสาิบสามคุณยุพมันตาโตชัยบุตรสาิบสี่คุณเกิณีตุมสว่างจิต สารีห้าคนเสริมสีแปว๋วบุญโยสาริหกนายปรรยาัญญาเพชรโวมเพช ร, รสาริเจ็ดคนโสภาอะไรเนาะอ่าไม่ออกเลยคนโสภาพันน้องนกักปุ่นรุนีตาลนนมีนี่แปดอสารีแปดคนสิรินทิพย์อิงอ๋อเปียกเล็กจันทนะเสียรี สารกิกาคุณวันเป็นวันณวันนิด น, นี่แล้วก็จำจำชื่อกันไว้แย่ให้มันแตกกันนะให้รวมตัวกันได้แล้แยกแตกไปเที่ยว น, นี้เป็นเที่ยวที่เรามาน้อยที่สุดใช้รถเพียงแค่ที่กี่คันเนาะใช้รถเพียงแค่สี่คันคือคุณแผนแล้วก็แมสซีคลายจุมพนแล้วก็ปลายเพชรปลาเพชร เ, เป็นรถนำขบวนเป็นรถธนกรธุราการเป็นรถเล็ก แม่สีน้องพ่อนั่งมาเองนั <ine> ่งมาไม่กี่คนแล้วก็คุณแผนรู้สึกบนทุกหนักหน่อยใครยังลก็หนักเรื่องอาหารเรื่องน้ำน้ามันถ้าว่ากันที่ชื่อคนต่อไปสี่สิบอาจารย์อนุโมสินทุปประคาประมาณนะต้องเป็นประคาประภาแล้วก็สีเอคุณวันเพ็ญแตงสุโคสุโคบน สี่ิบสองคุณรางสิตอุตวัฒนชน 43, ินสี่สิบสามคุณเพนสีแดงวัฒนชินสี่ิบสี่เด็กชายนิธิวัฒนชินสี่สิบห้าเด็กชายทิติวัฒนชิน 46, สี่สิบหกกมพรเปรียบบัญญเกตสิบเจ็ดคุณชาวลิตโลจนะสี่คุณเลิศลักษ์สีสิงหาสงครามออจะคุณมาสุสิงห์หนาเต็เลย สี่สิบเก้าคุณอัญชันสุนทรรัตน์ห้าสิบคุณสุรีใหญ่รอดเดชห้าสิบเอ็ดคุณการดามาทยากุลห้าสิบสองแม่ชีสุนีโอเรามาก็เราก็มากันเยอะนะห้าิบสามคุณจักริดบุญนาคห้าิบสี่คุณวัชรีบุญนาคห้าสิบห้าเด็กชายบุ ร, รางคนาคเกศบุญนาค ห้าสิหกเดชชทยกฤษณาวุโภคบุณนาคอโกพระเอกไปเลยห้าสิบเจ็ดนางปิณรงค์ฟองเพชรห้าสิบแปดนางบุงหายุ่นสมานห้าสิบเก้ามงมองมหลวงวันนาเสริมานพหกสิบคุณพร ม, ม น, นีอน๋อยักษ์เลยนกยักษ์ใชัยมดชื่อชื่อพร ม, มนีแะ โูตานกยักษ์หกเอคุณสมจิตมณีวงหกสิบสองเด็กหญิงมัธนิยาสตัตยาเลขาหกสิบสามพันโทสิพันวิชุพันหกสิบสี่คนตำรวจท้าวอนยุทธพงสาวิทักษ์หกสิบห้าคนตำรวจคนตำรวจสวัสดิ uh ์อันประเสริฐนี่หน่วยกำลัง สี่กองพันการนาำทรุกสุดจัดมานะแลห้หน่วยปรับหน่วยปรับจราจนจัดตํารวจมาให้ในน้ำของกองพันการหารทุกสุดแล้วหกหกทีห่หกจ่าสิบตํำรวจตระกูลเปลวิกษ์หที่เจ็ดนายสมเก็จเจรเิญศรีหกสิบแปดนายเอี้ยงแก้วจงประสิทธิห์หกสิบเก้านายวิทัศน์โกศลเจดสิบนายวิชัยโสศล เจ็ sehen, ิบอ็ดพันจาพันจากาดเอกสายสิริรัตน์เจดิบสองคุณทานันตะวงศเจดิบสามนางอาจารย์ุขประกอบวยทยากรเจดิบสี่พระนันเจ็ดิบห้าพระชัยวัตรเจติภควาดเจติเจ็ดพระโอฬาณก็เห็นจะเป็นแปดสิบแปดหลวงพ่อนับไปนับมาเกือบหมดเวลา เป็นนั้นว่าที่เอาชื่อมาใส่ก็อาจจะเป็นที่รำคาญก็ช่างเถอะจะได้จาไว้ว่าขบวนงานข้า เ, าเป็นขบวนที่เล็กที่สุดได้ว่าเราก็ต้องใช้คนให้เจ็ดสิเจ็ดคนเจทดสิบแปดท่หลวงพ่อที่คร <c oughs> าวนั้นเราไปเชียงรายกันเราใช้รถยนต์สิบเอดคันดูมาว่าจะเป็นขบวนไปปิกนิกไปเที่ยวเล่นไปตากอากาศแต่ความจริงไม่ใช่เราไปทางานกัน สำหรับต้นไทรหรือว่าใต้ร่มไทรนี่จะพักไว้ก่อนมาคุยถึงผลงานเมื่อวันนี้ที่เราทำกันใอ <c oughs> วันที่สิบมีนาคมสองพันห้าร้อยี่ิบสองที่วัดอะไรนะที่เราไปขณะใครนิกออกไหมพระเจรศก์ว่าอะไรอ๋อวัดดอนคนทาเลยวัดดอนคนทานี่คุณเจรศก เป็นคนนำเรื่องสร้างพระอุโบสถเอาชื่อมาแล้วก็ทำเหรียญมาแจกกบดาประชาชนก็รู้สึกว่าผลงานดีมากขอชมเชยนะใช้จ่ายเงินน้อยแต่ว่าทําบพระอุโบสถได้สวยเราใช้จ่ายเงินเพียงแค่สองแสนบาทแต่ความจริงสอนแสงแสงนบาทนี่ก็รู้สึกเงินมาก แต่ว่าจะไปคิดว่าจะไปสร้างโบสถที่ไหนทั้งอุสดโคฟ้า โ, โ, โ, โบโสถแล้วก็มีกำแพงแก้วมันทำไม่ได้ถ้าไม่รู้จักงานก็ทำไมได้ขอราคาเท่านี้ทำไมได้แน่แต่นี่ทำได้สวยสดก็งามก็รู้สึกว่าคนสายนี้มีศรัทธาดีมากทวนความหลังเซนิดดีไหมหรือเวลาอีกสักแปดนาที <c oughs> วันนี้ที่เราปฏิวัติดอนคนทามเพอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาความจริงไพออสาลนี่พ่อเองก็รู้สึกว่าจะมืดมืดจุู่สนิดหนึ่งความจริงอยากจะมาไพออสาลแต่หาที่พักไม่ได้อยากจะไปทุกจุดทุกตําบลทุกที่อยู่ของคนแต่เราก็ไม่รู้จักใคร <c oughs> ความสำคัญที่สุดก็คือความปลอดภัย <c oughs> ความปลอดภัยของลูกโลกแล้วก็ความหนักใจของเจ้าของที่เพราะกระบวนรามันใหญ่การมาวัดดอนคนทากันนี้รู้สึกว่าดีใจมากมีโอกาสเข้าอิสานเข้าไปในวัดเจ้าหน้าที่บรยงานให้ทราบว่าที่นี่มีน้ำเค็มขุดบ่อลงไปได้เกินกว่าหนึ่งเมตร นั่นหมายถึงว่าน้ำที่ได้มาเป็นน้ำเค็มรับฐานไม่ได้น่าน่าหนักใจได้ว่าการก้าวเข้าไปสู่ในบริเวณวัดเห็นคนมากันประมาณสี่ร้อยคนเศษก็ดีใจดีที่ว่าดีก็เพราะว่าทุกคนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้มาเอาสตางค์พ่อเขามาด้วยความตั้งใจเข้าไปบางคนบอกว่าผมคิดว่าฤาษีดิ้งดำเนี่ยมีแต่ชื่อ เพรว่าวิญญาณล่อรอไปในอากาศคนคิดว่าตายแล้วเพรานชื่อมาพระโอมโบสดที่นี่แต่ตัวไม่ปรากฏจึงได้เรียนให้ท่านผูนั้นทราบว่าอยากจำมาไม่กันแต่เพว่าโอกาสไม่มีเพราว่าภารกิจมากทั้งภายนอกและภายในบ้านก็ต้องสร้างใช้ก็ต้องรักษาแล้วก็น้ํนาใจคนก็ต้องทะนุบมรุงช่วยกันทําช่วยคนเอามือคนไม้ ตามพระราชประสงค์เข้ามาวาดสมเด็จพระเยรหัวแล้วก็ตามพระพุทธประสงค์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ ว, ว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งสอนให้มีความไม่ตาปราณีมีพรมิหารสี่เพื่อกูนซึ่งกันและกันแลมีสังขาวัตถุมีทานการให้มีการสง่งเค้าซึ่งกันและกันเป็นต้น ท่านบนนั้นท่านก็พูดพ น, นาถึงความเป็นทุกข์ความยากไร้ต่างๆในดินแดนแถบนี้เพราะจริงเรื่องการบเรื่องการตั้งธนาคารข้าวขึ้นนี่ก็ยังไม่แน่ว่ารู้สึกว่าทางวัดท่านจะอ่อนๆไปสักนิดหนึ่งความจริงเรื่องตั้งธนาคารข้าวเนี่ยเป็นการทำที่ไม่ยาก และก็มีผลประโยชน์กับประเทศชาติมากตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <c oughs> ดูตัวอย่างในอำเภอเชียงรายคนปัจจุบันชื่อไรพวกก็ไม่รู้จักชื่อขึ้นไปเชียงรายคราวที่แล้วที่เราไปกันเดือนมกราคมเจ้าที่มารายงานให้ทราบว่านาอำเภอเมืองคนนี้เก่งมากเอานางซื้เวียนไปถึงผู้ใหญ่บ้านกำนัน ก็ขอข้าวข่าสารสาหรับคนที่ไม่ฝื่อยเฟ่องขอม้าละลิกจะมารวมกันโดยสเสด็จขราจุกขนุนลแลบพระบาทสเสด็จพระเจ่หัว <c oughs> เป็นอันว่าท่านแรมเพอท่านคิดว่าท่านได้ข้าวถ้าสามร้อยกระสอบก็ดีแต่เนื้อแท้จริงๆได้แล้วเก้าร้อยกระสอบเสร็จเมื่อพ่อไป คิดว่าคงเกินพันกระสอบในท่านในอำเภอทุกๆอำเภอทำกันอย่างนี้พ่อคิดว่าเรื่องโจรผู้ร้ายในประเทศไทยมันก็มียากคนที่จอาใจเอาขานก็มียากแ้วการให้ข้าวนี้เราก็ไม่ควรจะให้ฟรีเ <c oughs> <c oughs> ว้นไว้แต่กรณีจำเป็นถ้ามีความจำเป็นจริงๆเขาช่วยตัวกันไม่ได้เราก็ต้องให้ฟรี เพราะว่าทางที่ดีนะเพราะว่าให้เป็นการกู้ยืมน่ะดีกว่ า, าเพราะว่าตั้งพรฒนาคารข้าวที่ประบาทสมเดชจี้หัวสงฆธรรมถ้าทิ่งยามอดอมก็มาขอยืมไปหาได้ก็กลับมาคืนอดใหม่ก็ไปใหม่สำหรับคนที่มีทุนมีรอนมากก็สงเคราะห์กังขาเรนเล็กกันน้อยก็ทุ่ม สะสมกันลงไปไม่ช้าข้าวแต่และตำบลแต่และหมู่บ้านจะมีเพียงพอสำรองไว้สำหรับการอดอยาข้าวคนที่ไม่มีที่มีความยากจน <c oughs> ถ้านอำเภทุกคนู้กรายการจังหวัดทุกคนในประเทศไทยทำอย่างอำเภเชียงรายแบบนี้ <c oughs> เพราะว่าการแตกแยกความสามัคคีการจะจัดแบ่งละที่อย่างอื่นเข้ามาไม่มีในประเทศไทย แล้วก็เป็นที่น่าเส้ยนดยจอย่างยิ่งที่ข้าราการฝ่ายปกครองเรียนปกครองมาเหมือนกันทำงานอย่างเดียวกันแต่มีใครที่ไหนบ้างหนอที่ทำอย่างท่านในเภอเชียงรายอาเภอเมืองเชียงรายอีกส่วนหนึ่งถ้าเราจะคิดกันทางวัดทุกวัดเป็นศูนย์ใจของคนถ้าวัดทุกวัดเนี่ทำอย่างท่านอำเภ อ, น, เมม อ, อ น, นั่ น, น, น, น, น, นแหละ แต่ว่าไม่ต้องไปออกต้องเสือเวียนเพราะเราไม่มีอำนาจเอากระบุงแต่กล้ามาตั้งเข้าถึงเวาลาวันพระหนึ่งใครเข้ามาทําบุญก็บอกว่ารวบจะรวบรวมข้าวสารหรือเขาเปลือกหรือว่าของแห้งต่างๆเอาไว้สงเคราะห์คนจนสําหรับของกินของใช้ให้เลยแล้วเราเข้าวเราให้ยืมเพราะคนทุกคนเราเลี้ยงโตอยู่แล้วต้องหารได้ <c oughs> สมมติว่าตัญหารได้น้อยเขายืมข้าวไปห้าถังท่านได้มาห้าถังวันนี้ถ้ามาชำระหนี้แต่วันพวกนี้ถ้าไม่มีกินท่านก็มาเขายืมไปใหม่ได้เพราะว่าถ้าทุกคนทาทังทงท้งทุกวัดทำอย่างนี้และนายอพเภอทุกท่านทำอย่างนี้ผู้บริการทั้งจังหวัดทุกท่านทำอย่างนี้ประเทศไทยเราก็จะมีความสุข ทางที่ดีถ้าโรงเรียนการปกครองจะตั้งเป็นหลักสูตรกได้ก็ดีแต่ว่าการจะทำอะไรก็ตามถ้าเราจะออกปากเรียกอะไรเขาแล้วะ อ, าากอกปากบอกบุญเขาสตังในกระเป๋าเพราเราก็ควรจะพักด้วยแล้วดูตัวอย่างผู้เริการจังหวัดสุขโขทยัยเอากันพอสองพันห้ารอยี่สิบก็ได้ันได้จำ ง, ง่ายยี่2ิบเอ็ดยี่สิบนี่นะคนนั้นแหละลืมชื่อ ท่านไปบอกบุญเขาสร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุคราชพอพูดจบมีพ่อเลี้ยงคือคนมีสตังเพียงแค่สิบท่านพูดจบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดควักสตังมาจากกระเป๋าแปดพันบาทหนึ่งเดือนของท่านท่านบอกว่าผมเป็นข้าราชการไม่มีไรายได้พิเศษได้เท่านี้แต่ขอละหนึ่งเดือนท่านจะสละกันคนละเท่าไหร่ก็ตามใจท่าน ในที่สุดวันนั้นท่านได้เงินสามล้านบาทเนื้อต่อมาก็ปรากฏได้เพิ่มเติมมามา็นห้าล้านและเจ็ดล้านก็ไม่ทราบเพราะนั้นว่าโรงพยา บ, บาล น, น, นั้นหมดสร้างเสร็จและใหญ่โตมโหฬารดีมากกว้างขวางดีนี่เรืองจิตวิทยาแบบนี้ถ้าเราจะขอเขาเราออกก่อนไม่ว่าที่ไหนงานก็สำเร็จอารมณ์ดาลุกรัก หน้านี้มองเวลาก็หมดเส้นแล้วเทปชุดนี้รู้สึกว่าสั้นไปนหน่อยรับฟังกันชุดหน้าต่อไปข้างหน้านะ